ไม่ใช่เอาขึ้นมาบนธรรมานแล้วจะมาฝึกกันมาซ้อมมวยกันบนเวทีไม่ใช่ที่ซ้อมมวยมันฝึกเนี่ยฝึกมันต้องอยู่ข้างล่างาขึ้นมาข้างบนแปลว่าขึ้นเป็นนักชกแล้วเป็นนักมวยแล้วจะมาสอนกันบอกกันขึ้นเวทีแล้วไม่ได้อารนี้เหมือนการปฏิโมกอยู่ข้างนอกเราต้องซ้อมสอบซ้อมตัวเองซ้อม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 ว่าพระปีนี้มีเต่าูู้มีอายุเป็นส่วนมากพระน้อยพระหนุ่มก็มีอยู่น่แหละพระผู้เท่าพระที่มีอายุก็เป็นภูมิมุ่งมั่นผ่านโลกผ่านความร้อนความหนาวมาพอสมควรแล้วมาบวชเขาเนี่็มาบวช เ, เพื่ออะไรเราไม่ได้มาบวชเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเรามาบวชเพื่อขัดเกลากิเลสมาบวชเพื่อ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 มองไม่เห็นนะตามองไม่เห็นมันเป็นสีขาวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเหลืองสลับสีหิงห้อยใหญ่ขาพูดง่ายๆไม่ใช่หิงห้อยเล็กถ้าเราลุกขึ้นมาเป็นหิงห้อยเล็กมันจะล้มอันนี้ป่วยอย่างนั้นอ่ะอาการหนักอย่างงั้นมันเป็นหิงห้อยใหญ่มันสลับมันสลับฉากเลยเอ่มันสลับฉากสีแดงสีขาวสีเหลืองสีอะไรมันสลับเพือหิงห้อยใหญ่เพราะงั้นะมองไม่เห็นคนหรอก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 ดูเลยเอาสิมันจะไปเวลาไหนวะถึงข่าวเราแล้วข่าวนี้แต่ข่าวแต่ก่อนกมีแต่เราได้พิจารณาสมมุติอยู่ตลอดว่าข้าพไปเจ้าตองตาอย่างนี้ข้าวไเจ้าจงตายตายอย่างนี้ข้าวเจ้าจะหมดลมอย่างนี้ข้าวเจ้าจะน่องเปื่อยอย่างนี้ข้าพไปเจ้าจะหายใจปลาอย่างนี้ข้าพไปเจ้าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แต่บัดนี้ข้าวก่อนมันซ้อมวย